ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการใต้ร่มพระโพธยญาณด้นำท่านผู้ฟังทั้งหลายไปศึกษาเรื่องระดับที่เรียกว่าทูเรนิธานคืเรื่องประวัติของพระพุทธญาณในดิตการนานไกลที่ท่านแสดงไว้ในคำพีระดับอัตกถาท่านล่าว่าคนที่ ในการต่อมาจะได้สัตว์จะรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องมีความรู้สึกปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจสืบพบชาติผ่านการเวลามาถึงเจ็ดแสนกับเจ็ดแสนสงขัยกับและจากนั้นก็จะเปล่งวาจา แสดงความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ารักษาเจตจำนงตรงนั้นไว้ตลอดระยะเวลาแปดแสนกับ9ก้าแสกับในการต่อมาคุณธรรมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบด้วยคุณธรรมหลักแปดประการซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปและจากจุดนั้นท่านเรียกว่าเป็นนิยตโก ธ, ธิสัม คือได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดิตการในานไกลเช่นเดียวกันตรงใดตรงหนึ่งแต่ว่าจะต้องบำเพ็ญบา ร, รมีสุดต่อกันมาตามประเภทของพระพุทธเจ้าที่เน้นเรื่องอะไรเป็นสำคัญอย่างพระพุทธเจ้าของเราเน้นที่ปัญญาเรียวกว่าปัญญาธิกะก็ต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีเสียสงไขยกับมีกแสนกับ ตัวเจ้าบางประเภทเน้นไปที่ศรัทธาหรือพระศรัทธาชิกะสรงมามเป็นบา ร, รมีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวคือแปดะสงขัยกับ1แสนกับประเภทที่สามใช้วิริยะคือความเพียบรบเป็นบารมีสืบต่อกันมาอีกหนึ่งเท่าตัวคือส6อกระสงขัยกระแสนกลับและจากนั้นก็จะได้สัตรู้ เป็นพระอาหารหันตสมาสัมพุทธเจ้าเราก็มองเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราว่าเอาก็จริงทรงใช้เวลาบำเพ็ญบารมีมาจนถึงก็เรียกว่า 20% สประสงไขกับอีกแสงกับคือ7บวก9แล้วก็บวก4กับแสงกับรวมแล้วก็ย0สิ อสมงไขกัแสนกับแต่ภาษาเารามีออราจินเวลานับมันไม่จะนับยังไงพระบาลีท่านก็เรียกในลักษณะที่นึกตัวเลขไม่ออกคำ่าสงไขแปลว่านับไม่สิสิ้นสุดคือนับไม่หวาดไม่ไหวเอาขนาดขนาดอสศงไขล้วก็แย่แล้วมาการแสดงไม่เห็นถึงความหมุนวนของสังสารวัฏ ความเปลี่ยนแปลงในด้านวาสนาบารมีของคนถึงเวลานี้ที่จริงก็มีความรู้สึกค่อนข้างขัดแย้งกันวันก่อนได้ฟังสมองคนกับสมองกลพวกคนระดับสาตราจารย์มาสนทนากันอัตมาเองก็เคยร่วมสัมมนากับคนระดับสตราจารย์ทางสมอง โรงแรมราม า, าธิบดีและที่โรงพยาบาลราม า, าธิบดีแต่พอเอาก็จริงพอจบจากการอภิปรายก็พยายามซักประเด็นต่างๆของท่านก็มีเยอะที่ยังไม่เข้าใจในส่วนประสาทประสาทส่วนสมองอที่น่าสังเกตก็คือการมองที่ให้ความสําคัญแก่ประสาทส่วนสมอง ซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นกายประสาทกรณีท่านเรียกว่ามัทลงคังคือประสาทส่วนสมองถ้าเราดูลักษณะการทางานก็เหมือนกับสนักงานของจิตจิตจะอยู่อาศัยในร่างกายแต่ตัวหลักก็อยู่ที่หัวใจถึงถ้าเราลองสังเกตว่าถ้าหากว่าเราคิดอะไรมากๆเนี่ยจะรู้สึกปวดมึนที่ศีรษะ แต่ถ้าใครทำให้เราตกใจเนี่ยเราจะเด้นที่หัวใจมันก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อระหว่างพลังงานคือจิตนั้นมันเป็นนามธรรมแล้วก็เป็นพลังงานแต่สมองมันก็เป็นรูปธรรมก็คุณหมอก็พยายามปฏิเสธในแนวถึงการศึกษาของเราว่าเราเน้นที่การจำ แล้วก็เทียบเคียงเห็นว่าคนต่างชาติซึ่งไม่เน้นที่การจําเนี่ยเก่งกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้เพราะเราศึกษาตามรูปแบบก็ถือว่าเป็นข้อความคิดที่แปลกนี่ยคือบา ร, รมีเองมันก็มีลักษณะอย่างนี้มันเป็นกระบวนการทางจิตคือหมายความว่าจิตจะทําหน้าที่รับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัส เคยรับรูปทางตารับเสียงทางหูรับกลิ่นทางจมูกรับรสทางลิ้นรับเย็นร้อนนอนแข็งทางกายแล้วก็เก็บไว้ไปในจิตในการสัมผัสครั้งแรกมันก็เป็นอวิชาแต่ในที่สุดมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราะงนั้นเราจะเห็นว่าประสาทสัมผัสของเราเป็นที่มาของวิชาก็มีอวิชาก็มีที่มากิเลสก็มีที่มาของธรรมะก็มี เรียนรูปบางอย่างเกิดความเกลียดก็แสดงกิเลสเพิ่มขึ้นเรีนรูปบางอย่างเกิดความรักก็แสดงว่ามันก็กึ่งธรรมะกึ่งกิเลสแต่รักที่ไม่เกี่ยวกับในทางเพศแต่บางครั้งเรีนรูปบางอย่างเกิดศรัทธาเกิดเติมใสเกิดเมตตาเกิดกรุณาเราจะเห็นว่ามันก็เกิดธรรมะแต่ถามว่าทำไมจึงเกิดความรู้สึกอย่างนั้นมันก็มาถึงประเด็นหนึ่งคือการจํา จำในส่วนดีงามของบุคคลเหล่านั้นจำในส่วนหน้าสงสารของบุคคลเหล่านั้นจำในส่วนหน้าเคารพนับถือของบุคคลเหล่านั้นเพราะพุทธศาสนาจึงถือว่าสัญญากับเวทนาคือความจำกับการสวยอารมณ์หรือการมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นมามันเป็นจิตตสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิต และทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีความจำเนี่ยปัญหาสาคัญว่าเราจะคิดอะไรได้ยังไงก็อยากจะคุยกะก็คงยัไม่ไปขัดคออะไรเขานะฮะแต่ก็อยากจะสักถามนักวิจาการเหล่านี้บางกันว่าท่านเคยคิดไหมว่าสิ่งที่เราคิดได้เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานความจำมาก่อนแต่เราไม่มีพื้นฐานความจำมาเราก็คิดไม่ออก เราสังเกตว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยเรานึกไม่ออกเป็นอะไรเพราะกระบวนการเหล่า น, นี้ที่จริงมันเป็นกระบวนการทางจิตเราจำไม่ได้มากมากก็คือแสดงว่าเรามีประสบการณ์มาแต่เราก็คิดได้มากแล้วก็มีความรู้ในงแง่งมุมต่างๆมีความหลากหลายออกไปก็ยังนึกไม่ออกว่านักกาชศการนี่ยไปคัปปี้ความคิดมาจากฝรั่งได้อย่างไง ทำไมไม่วิเคราะห์ดูที่จิตมานั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตตัวเองดูที่จิตตัวเองเถอะอย่าไปดูตํานาของหลังอะไรบากเกินไปดูที่จิตพะจิตธรรมชาติคิดอารมณ์ธรรมชาติจําอารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์และความรู้ของเราจะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้ น, นถ้ า, ากว่าเรามีความประสบการณ์มากเราจะจํามากจํามากก็คิดได้มากคิดได้มากดดมา ก, ก็รู้ได้มากมาันเป็นกระบวนการนะคร มันเป็นกระบวนการในเรื่องรถนั้นแต่เราขาดกระบวนการตรงนี้เนี่ยจิตจะทำงานได้ยังไงยังนึกไม่ออกขนาะนีแต่ทั้งก็มีการอธิบายอะไรต่อะไรออกไปก็มากไปแต่เคยสอบถามเคยซักถามที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพวกที่อธิบายอย่างนี้เป็นพวกแพทย์แต่เป็นแพทย์ที่เกี่ยวกับทางกายภาพไม่ได้แพทย์ที่เกี่ยวกับทางจิตเวช พอแพทย์ที่เกี่ยวกับจิตเวชนะจะอธิบายแล้วก็เป็นธรรมะล้นล้วนออมาเลยเป็นพฤติกรรมของจิตแทนที่จะเป็นพฤติกรรมของสมองเพราะในตัวนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า บ, บารมีก็คือการเก็บการสะสมความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีที่ผ่านมาทาประสาทสัมผัสนั่นเองเราก็เก็บการสะสมเอาไว้ การเก็บการสะสมในลักษณะนี้ถ้าหากว่าเก็บสะสมดีมันก็เรียกว่าเป็นบารมีแต่เก็บสะสมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ท่านก็เรียกว่าอาสวะแล้วการเก็บการสะสมได้มันก็ต้องมีการจาจนถึงสะสมไว้ลึกๆเราอาจจะลืมแล้วเขาเรียกสะสมจิตสันดาลมันผ่านพบชาติมาปัจจุบันนึกไม่ออกหรอก ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราบำเพ็ญเพียรจนจิตใ จ, จมีความสงบสามารถระลึกชาติได้เราก็ระลึกรู้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตในอดีตได้เราแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นก็มีการจำไว้ภายในจิตแต่มันอยู่ลึกมากเราไม่สามารถจะดึงมาในเวลาที่รวดเร็วได้แล้วก็มีเรื่องต่างๆเป็นอันมากที่เราก็จาไว้แต่มันลืมไป เรามีสิ่งหนึ่งมากระตุ้นอาจจะเป็นสิ่งใกล้เคียงกันอาจจะเป็นสิ่งจมกันข้ามหรือเป็นสิ่งที่เหมือนกันหรือเป็นสิ่งที่แผรเปลี่ยนกันทำให้จิตร ะ, ระวัิไป น, นึกถึงสิ่งเล่นดันคิดมาได้แล้วถ้าหากว่าตั้งปัญหาไปนในแง่ของสมองซึ่งเป็นประสาทเพราสิ่งที่ไม่เคยผ่านมาเลยในสมองคิดได้แหะ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพื้นฐานความดีความชั่วเนี่ยเป็นคุณภาพของสมองจริงหรือแล้วถ้าหากเราพัฒนาสมองได้จริงๆริงเนี่ยนะพอเฉพาะสมองเนี่ยลักษณะนิสัยละพื้นเพรจริตอธัธยาศัยของคนละความโน้มเอียงความถนัดความสนใจของคนออกมาจากไหนแต่ถ้าเรามองกษะสาบกระาเราตอบไดนะ้แต่ถ้ามองจระสายนีก็ น, นึกไม่เออกมาจากไหน ที่จริงเรื่องเหล่านี้ก็น่าจะเปิดใจวางฟังกันนะหนะมายความว่าให้ทางนักวิยาศาสตร์พูดมาดูสิเราก็ซักถามเขาก็ซักถามเราเราก็ซักถามเขาเอาคนที่ศึกษาทางศาสนาในแง่มุมตา่างๆเข้ามาคุยกันเทวตมาจังเคยมองเคยพูดกับผู้ใหญ่ว่าวิทยาการก้าวหน้าออกไปเนี่ยเด็กมันเรียนด้วยระบบอย่างหนึ่งเราเรียนด้วยระบบอย่างหนึ่งเราถึงจุดเหมือนมันอาจจะสื่อสารกันไม่ได้ เช่นสมมติว่าเราแสดงกำหนดชีวิตเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นมาจากการผสมของเชื้อทั้งสองฝ่ายตรงนี้เด็กรู้แต่ของเราไม่ได้ถือตรงนั้นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์มันจะต้องมีกลุ่มของพลังงานที่เป็นองค์ประกอบร่วมของกิเลสกรรมแล้วก็สร้างขึ้นเป็นวิญญาณมาเข้าถือครองขันตรงนั้น รูปรขันตรงนั้นซึ่งผสมกันถูกส่วนเนี่ยมันก็กลายเป็นชีวิตในกรณีที่เกิดในครันกับเกิดในไข่นะเกิดโดยผุดขึ้นโอปปาติกะท่านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือโตเป็นมป็นยูชนขึ้นมาเลยเด็ก็เรียนนอย่างหนึ่งอะแต่เรียนนี้มันก้าวหน้าจนถึงกับให้ผสมในหลอดแก้วแล้วผสมนอกมดลูกแล้วก็นําไปใส่ไว้ในตัวมดลูก จนมีธนาคารฝากเชื้ออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยตรง น, นี้ยังตรงกับหลักศาสนาหรือเปล่าที่จึงมันน่าจะมีการสัมนามีการแลกเปลี่ยนความคาิดความเวิตกันเพราะว่าพระพุทธศาสนาที่จริงเหนือวิทยาศาสตร์อนธะิบายได้อธิบายได้เพราะวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยนะฮะก็โลนลงตัวหมดแล้วตอนเวลาเขาพูดมันก็ยังองค์ประกอบเดิม เพราะดิงการผสมในหลอดแก้วมันคือการผสมของเชื้อที่เป็นรูปธรรมแต่ปัญหาว่ามีสิ่งที่เป็นนามธรรมเข้ามาตือครองหรือไม่ถึงในแง่ของวิทยาศาสตร์เองก็จะอธิบายถึงคุณภาพของยีน อ, อะไรต่างๆออกไปและสามารถจะเลือกเพศสามารถจะเลือกคุณสมบัติต่างๆได้เนะี่ยมันคงจะคุยไปก่อนนะนะเพราะว่า ถ้าอย่างนั้นในคนพิกลพิการมันคงไม่หนีในโลกน่ะวิทาศาสตร์คงจะเลิกได้ทั้งหมดก็เป็นปัญหาที่น่าจะศึกษาต่อไปแต่เราจะมองด้านศาสนานะว่าศาสนานั้นจะเน้นไปที่ตรงเนี้ยว่าไอ้สิ่งที่เกิดสะสมนั้นคือความรู้สึกที่ดีทั้งหลายเนี่ยการทําดีการพูดดีการคิดดีการเห็นแล้วก็มีความรู้สึกดีเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็สร้างความโน้มเอียงภายในใจ มันพัฒนาปัญญาขึ้นมาพัฒนาความเมตตากรุณาขึ้นมาพัฒนาน้ําใจที่เสียสะละขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นพวกปรมีธรรมขึ้นมาประการสําคัญที่ว่าเวลาตั้งความปรารถนาคือคิดภายในใจเนี่ยมันมีตัวกระตุน้นคือเห็นทุกข์ของเพื่อนรวมโลกด้วยกันที่กําลังเผชิญกับทุกภัยอะไรต่างๆนี่มากมายก่ายกองด้วย แล้วมันอยากจะมีส่วนแบ่งในความทุกข์ที่คนเหล่บบานั้นกาลังประสบอยู่ตอนขณะจิตที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งแรกก็มีส่วเร่งมาจากการเห็นพระพุทธเจ้างก่อนกอนแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่กล้าพูดแต่ก็มีความรู้สึกลึกๆขึ้นภายในใจ ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะสรู้แล้วจะให้คนอื่ น, นสรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้คนอื่นข้ามได้ด้วยเป็นเรื่องใหญ่นะคือการคิดอย่างนี้เขา อ, อุปมาให้โอครูบ า, าอาจารย์เข้าฟังเพราะที่จริงคุ ณ, คณสมบัติใน ล, ลักษณะเนี่ยเราก็มีอยู่ระดับหนึ่งมันก็ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าแหละแต่ว่าเราสามารถนิจที่เขียนได้นะ เพตามปกติแล้วคนเราเวลาได้สัมผัสสิ่งที่ดีๆเด่นรูปสวยๆได้ฟังเสียงไพเราะได้ดมกลิ่นหอมๆได้สัมผัสรถได้ได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยได้สัมผัสสิ่งที่น่าคราน่าประถนาน่าพอใจใจมันจะคิดถึงคนที่เรารักหรืออยากจะให้เขาได้สัมผัส ด, ด้วยยกตัวอย่างว่า ไปทัศนาจรที่ได้ที่ไหนเห็นทิวทัศสวยงามเป็นบ้าเนเมืองก็สวยงามก็อยากให้คนที่เรารักเราเคารพเราศรัทธ า, าอะไรก็ตามไปนะครเรารู้สึกที่ดีๆแต่เพื่อจะเห็นด้วยแต่พอดีท่านไม่ได้มาเราจะถ่ายรูปเหล่านั้นมาให้ท่านดนูนั่งแสดงว่าเราได้เห็นก็อยากให้คนอื่นได้เห็นด้วยแตคคแคนะ่ความคิดเราแคบนะครความคิดเราแคบเพราะเราจะบีบไปเฉพาะคนที่เรารักเท่านั้นของพระโพธิสัตว์ ท่านใช้คำว่าผู้อื่นคือสรรพสั ต, ตว์โดยจุดมุ่งหมายนั้นต้องการจะให้สรรพสัตว์ได้สัมผัสอย่างที่สงสัมผัสแสดงพื้นฐานนี่เหมือนกันนะแต่ว่าเรานั้นเป็นเศษเซี่ยวเล็กๆซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเราเรารับประทานอาหารอร่อยได้กินขนมอร่อยคนุกถึงคนที่เราเลือกเลซื้อมาฝากเพื่อจะให้ท่านได้กินด้วย หรือไปเห็นเสื้อผ้าสวยงามมาตัวเองซื้อแล้วก็ซื้อไปฝากคนอื่ดเป็นต้นอย่างนี้เ ม, มันเราเรามีอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่าเราจะบีบในตัวคนตัวคนที่เรารักเราเคารพเราศรัทธาเรานับถือก็แล้วแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยเช่นโดยเริงเขาศรัทธาเราก็ตะลึงนะบางทีกมงง ยโยงอกของมาจากต่างประเทศนแล้ววันทีของนั้นก็ส่งมาจากต่างประเทศเป็นผลไม้ก็เจ้าก็คงจะผลสองผลในเนี่ยอุตสาแบ่งมาให้เป็นซี่เพื่อจะให้ได้ฉันด้วยแต่เห็นว่าท่านเจ้าคุณคงไม่เคยเห็นเอามาให้ได้ฉันด้วยนั่นก็เกิดขึ้นจากความรู้สึก เขาลบหนังสือศรัทธาของท่านเหล่านั้นแล้วก็เพียงแต่อนโมทนาแต่มันก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเราเองมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเวลาเกิดได้อะไรขึ้นมามันจะคิดออกข้างนอกบางทีเราไปบรรยายอบรมในที่ต่างๆมีคนถวายเข้าของมายเยอะหลายคนเราจะนึกถึงพระภิกษุสามนเณรในต่างจังหวัดนึกถึงคนชรานึกถึงเด็ก แล้วก็ถ้าเห็นว่าเอาไปแจกได้เราก็เอาไปเลยแต่อย่างน้อยเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็จะมีปัจจัยก็ไปหาเพิ่มเติมขึ้นเพื่อจะนําไปจแจกพรเวลาคิดส่วนใหญ่มันคิดคนมากทุกทีมันเกิดมีปัญหาเหมือนกันแต่บางอย่างคนที่เราคิดถึงก็ไม่มากเกินไม่มากเราก็ให้ได้ทันทีนั่นแสดงว่ามันพื้นฐานตรงนี้ทุกคนมีไม่ใช่เจาะจงคนใดคนหนึงทุกคนมีโดยธรรมชาติ แต่ก็ให้สังเกตได้ที่ใจตัวเองเพราะลักษณะของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นสมัยที่ท่านยังท่องเที่ยวในสงสารวัตรท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านตัดสุขแล้วก็ช่วยคนอื่นให้ตัดสุขตามด้วยตัวเองก็อยากทํางานตรงนี้พอรู้สึกมันได้ประโยชน์อนเออ น, นกขนาดเกินแต่ในท่านแรกก็เป็นในเรงความรู้สึกความรู้สึกทํานองว่า เมื่อเราสัตวสู้แล้วจะให้คนอื่นสัสรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผคนอื่นข้ามเราที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแนะเป็นภาษาที่สื่อสารในลักษณะที่ให้ผู้ฟังซึ่งได้ยินได้ฟังแล้วมีความเข้าใจด้วยประโยคใดประโยคหนึ่งที่จริงสัตสรู้ก็คือพ้นแล้วจากสังสารทุกข์แล้วก็พ้นแล้วจากกิเลสการสัตว์สัตรู้นั่นเองคือข้ามผวงน้ําคืออิเลสได้ข้ามผู้น้ำคือสังสารวัฏได้ ไม่เการพูดในเรื่องเดียวกันเพราะในพื้นฐานที่อาจารใส่ตัวนี้ก็สะสมสะสมสะส ม, สะสมผ่านพบชาติมาเรื่อยๆรักษาความรู้สึกที่ดีเหล่านี้ไว้ก็ผ่านมาถึงเจ็ดกับกเรียกว่าเจตสมไขยกับนะแล้วก็ผ่านมาถึงเก้ากับเปล่งวาจาออกในลักษณะอย่างนั้น ทีนี้พอเป็ี่ยนอาจาเนี่ยมันก็เริ่มคิดละเพราะว่าจิตใจมันมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็ดูแล้วคล้ายๆกับเรื่องจินตนาการของบุคคลที่เห็นใครอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจลองสังเกตว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยถ้าจะถามมาได้แรงบันดันใจจากใครเนี่ยบางทีจะมีแหล่งที่มาของแรงบันดันใจเนี่ยเยอะเป็นจุดๆๆๆไป อาจจะได้คุณสมบัติตรงนั้นจากคนนั้นอาจจะได้การพูดจากคนนั้นอาจจะได้แนวเขียนจากคนนั้นะะอะไรแต่ไหเนี่ยมันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ผลักดันให้เกิดกระตุ้นเกิดความเพียรพยายามเกิดมุ่งมั่นที่จะพยายามเป็นอย่างที่ท่านเป็นคือเดินตามรอยท่านไปคนระดับปฐพทิตศประเภทนี้ประเภทเขาเรียกนี้ก็เรียกว่าเป็นอนิจจะปฐมทิศนะฮะคื อ, อยังไม่เที่ยงแท้ยังไม่แน่นอน ว่าจะได้สัตรูปเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เนี่ยท่านก็มีความคิดเหล่านี้รักษาคุณภาพความคิดเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะคนเราที่รักษาความคิดตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ง่ายนะฮะมันผ่านภพชาติตัว่าคนเราเจตจำนมที่ตั้งใจในการทําความดีนั้นจะเป็นการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์ แล้วตามปกติแล้วจะไปไม่ค่อยรอดคือไปอยู่ไม่ได้นานแต่มันจะเกิดท้อถอยเมื่อก่อนมีการปลุกระดมมีการปลูกราวมีการกระตุ้นมีการล่อในผลประโยชน์ต่างๆรู้สึกคึกเขืองแต่พอเขาภาคสนามจริงๆเริ่มจะท้อถอยแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็เลิกลาคือ ท, ทาไม่ได้แนวที่เหมือนกับการแข่งขันมาลาธอนเดี๋ยวประมาณให้ฟังในวันก่อน พคน ร, ระดับพระโพธิสัตว์นี้ท่านไม่ปล่อยวางความรู้สึกที่ดีตรงนี้นอกจอากคิดอยู่ภายในใจก็ออกมาทางวิจาออกมาทางวิจาได้ก็เริ่มรักเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นภายในใจครั้งแรกของพระโพธิสัตว์ในชาติแรกนะตันเล่าในชาติแรกก็เกิดเป็นคนยากจน แต่ว่าพอดีมันเกิดไปในเรวอกับมานดาแล้วก็เรืออับปางตัวเองก็กลัวามานดาจะเป็นอันตรายก็แบกมานดาของตนไหวไปในกระแสสมุทรตัวในขณะเดียวกันเนี่ยรนะนก็เห็นคนเป็นอันมากที่ก็บังแบบไหวแล้วก็จมจมจมจ ม, จมไปเรื่อย แต่ว่าท่านเองนั้นก็ไปช่วยคนอื่นไม่ได้เพราะถ้าแบกแม่คนเดียวก็สู้ไม่ไหวแล้วนะก็แบกแม่ตัวเองขึ้นฝั่งได้แต่นึกสงสารคนที่ตายเลยก็เกิดความคิดดังกล่าวขึ้นมาต้องฟังเท่าไหร่ใต้รมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทานายโดยทั่วกันสวัสดี